การนี้ขอคุลุงบุญมีทำใจสบายๆนะคะตั้งใจรัฐนาบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสงเคราะห์นะคะอันนี้เป็นคัตเศษที่สองของการบันทึก mm hmm. เมื่อคัตเศษที่แล้วเรามาถึงพรมชั้นที่สิบสองนะคะซึ่งเป็นชั้นของสุทาวาสท่านทั้งหมดที่จะไปเกิดเป็นพรมชั้นที่สิบสองถึงสิบหกได้ mm hmm. ต้องได้พระอนาคามีผล และตายด้วยกำลังของฌานสี่นะคะไม่ลงมาเกิดเป็นคนอีกต่อไปรอที่จะไปพระนิพพานเท่านั้นนะคะเ<ะ>ดี๋ยววันนี้เราจะไปเทีย่ยวตั้งแต่พรมชั้นที่สิบเอ็ดลงมาจนถึงชั้นที่หนึ่งนะค ะ, ะแล้วก็ไปดูอารูปภพพรมซะหน่อยตั้งใจรัตนาบ ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดสงเคราะให้กำลังจิตของข้าพระพุทธเจ้ามีความผ่องใส สา ม, มารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาสืบไปเวลานี้เห็นใครบ้างคะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าผมไปไปไหนคะไปนามาสการท่านโปท่านท่านโปท่านยาท่านพ่อท่านแม่มาแล้ว<ช>แล้วก็เดี๋ยวนี้มาอยติพพระมุนีทศิลามุนีนะคะกลาง แล้วก็ผลเผยพระพุทธเจ้าอยู่ที่พัจจุรามณีเอ่เข้าไปากราบท่านนะคะกราบหรือยังคะกราบแล้วครับกราบพระหรือพรมหรือเทวดาในพัจจุรามณีหอยังกราบแล้วรกราบแล้วนะคะเออท่านเออคุณลุงรู้จักท่านมเหสขาไหมคะซึ่งอยู่หน้าประตูก่อนจะเข้ามารู้จักครับองคนี้ท่านเป็นลูกหลวงพ่อเหมือนกันนะคะ ก็เป็นพี่เป็นน้องกับเราใช่ไหมคะใช่ครัเห็นองค์ท่านนะอย่างคะเห็นแล้วครับสวยไหมคะสวยกับหนุ่มมื้อแก่องค์นี้เนื้อใสมากนะใสครับองค์นี้ท่านเป็นพระอรียาเจ้าแล้วนะคะก็้าอยู่หน้าประตูพระจุลามณีไหว้ท่านนะอย่างคะไหว้แล้วค่ะวันนี้คุณลุงเห็นพระพุทธเจ้าชัดไหมคะก็เหมือน พระจันทรนะะมน์มันพระจันทร์นะคะอ่าเหมือนอพระจันทร์กลางเดือนอ่พระจันทร์กลางเดือนก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้อาศัยบา ร, รมีพระพุทธเจ้าและอาศัยการตัดสินใจของคุ้ลุงถูกต้องนะค ะ, ะที่ว่าไม่ห่วงร่างกายยอมตายนะคะต้องการพระนิพพานอย่างเดียวอันนี้ใช้ได้กราบนรมาสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านยา่าพาคุณลุงไปที่นิพพานก่อนไปตั้งหลักที่นั่นวิมานสมเด็จองคปัจจุบันค่ะ เห็นอย่างค่ะกราบ แ, แล้วครับเข้ากราบมรดการพระพุท ธ, ทธองค์แล้วนะคะวันนี้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นไงคะสวยกราบสวย ด, ดีนะคะครับและอรหันต์ทั้งหลายกราบท่านนยังคะ่ะกราบแล้วครับรท่านพ่อท่านแม่มาด้วยเปล่าม า, าครับสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงประ ช, รชนม์ชีพอยู่คุณลุงบุญมีลองขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดในสมัยพระพุทธองค์บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอดูภาพ เคยนะครับเคยครับคุณลุงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะตอนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนหรคะแล้วแต่งตัวไงคะแต่งตัวเทวดาแต่งตัวเบสวดาใช่แต่งตัวสวยเหรอคะใช่แต่งตัวแบบแบบเทวดานี่เป็นนางฟ้าหรือไงใช่ครับก็เป็นคนเป็นนางฟ้ากรับเป็นนางฟ้าเหรอครับเครื่องแต่งตัวเหมือนนางฟ้าะแต่ตัวเป็นคนนะคือเป็นนางฟ้าตัวตัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์นะคะใช่เครื่องแต่งตัวเหมือนนางฟ้านี่เขานุ่งผ้ายังไงคะ นุ่งผ้าจงกระเบนนุ่งผ้าจงกรเบนอะแล้วใส่เสื้อแลอ้วงบสบายใส่เสื้อแล้วก็สบายเฉียงอ๋อมีสบายเฉียงด้วยเออแสดงว่าเป็นคนไทยหรือเป็นแขกสมมุติตรงๆจะแงเครื่องแต่งตัวเป็นคนไทยรุ่นแขกเป็นคนไทยเป็นคนไทยว่า เ, เครื่องแต่งตัวของคนไทยใ น, นสมัยก่อนนี่เหมือนนางฟ้าใช่ไหมใช่ครมองดูข้างแรกเลยนึกว่าเป็นนางฟ้าไปอ่ะแสดงว่าคุณลุงนี่ก็ไม่แช่คนธรรมดาสามัญอยู่ในรั้วในวังหรือเปล่าคะ อยู่ครับอยู่นะในเมืองอะไรค้ากราบทูลถามก็พูดยา้าครูลุงอยู่ในเมืองอะไรความรู้สึกของใจว่ายังไงตอบอันนั้นเลยไม่ต้องใช้สมองใจรู้สึกจะอยู่เมืองอะไรคะพระาพราณสีพาราณสีคะ่ะเมืองพราราณสีครูลุงเป็นลูกพระเจ้าเป็นดินหรือว่าเป็นขุนนางหรือว่าเป็นข้าหลวงอะไรทํานองนั้นใจรู้สึกยังไงตอบเลยคะ่ะ เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูปพระเจ้าแผ่นดินขอดูภาพพระเจ้าแผ่นดินคือเจ้าเมืองพาราณสีในสมัยนั้นสิคะเห็นภาพไหมคะเห็นครับแต่งตัวยังไงคะท่านก็แต่งตัวเทวดาเหมือนกันแต่งตัวเป็นเทวดาคือแล้วเหมือนคนไทยเลยเะครับเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์ในสมัยก่อนก็แต่งตัวเป็นเทวดาใช่ไหมคะครับสวยเออความรู้สึกของคุณลุงนะคะว่าเจ้าเมืองพาราณสีในสมัยนั้นเนี่ย สมัยนี้เนะี่ยท่านมาเกิดหรือเปล่ามามาม า, มาเกิดนะถ้าเป็นใครขอพระพุทธเจา้าท่านช่วยเห็นภาพหรือว่าท่านที่มาเกิดในสมในสมัยนี้ขอได้โปรดแสดงองค์ให้เห็นชัดเป็นพรมครับเป็นพรมนะคะเปนตัวอย่างนั้นนหรอคะครับเป็นไงเนื้อสวยนะสวยลนะเอียดมาเกิดเป็นคนบ้างหรือเปล่าชาติเนี้ย อันเคยม า, เ, ยม า, มาเกิดมามักเกิดเป็นคนนะครับขอดูภาพสิดนะเกิดเป็นคนนะเป็นใครคุณลุงรู้จักเป็นสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเป็นพระเจ้ายอยู่ยองค์ปัจจุบันนี่เหรอคะราชการที่เท่าไหรนะ่คะดู ก, ก่อนครับดู ก, ก่อนใช่หเปล่าใช่ครับใช่นะคะครับอ่า แต่ว่าเกิดในเมืองพารานาสีในสมัยนั้นเขาจะอยู่ว่าปัจจุบันเป็นเจ้าเมืองหรือค ะ, คะเป็นเจ้าเมืองคุณลงเป็นลูกอีกทีหนึ่งแล้วถามกราบทูลถามสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าสิคะว่าเจ้าเมืองพารานาสีในสมัยนั้นที่ทรงพรนามว่าพระเจ้ากระสินที่โกศลเนี่ยเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนขอให้ภาพปรากฏอยู่ในพานครับอยู่ในพานนะค ะ, คะ เวลานี้อยู่นิพพานคแล้วร่างกายท่านยังอยู่เมืองมนุษย์บ้างไหมไม่ไม่เป็นรูปร่างใครก็เป็นรูปร่างเทวดายอยู่เมืองมนุษย์ไม่ไม่ใช่อยู่เมืองมนุษย์แท้นะคือมองเห็นว่าอยู่นิพพานใช่ไหมคะครับแต่งตัวแบบนิพพานครั บ, รบเวลานี้ปัจจุบันเนี้ยดูขอดูภาพปัจจุบันก็ณลุงจับภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะก่อนเห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดไหมคะ รพระเจ้าประเสนที่โกศลในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพระชนที่อยู่นะคะคเวลานี้จิตของท่านถึงระดับพระนิพพานอย่างที่คุณลงเห็นภาพนะคะคแต่ว่าท่านยังมีสภาพเป็นมนุษย์บ้างหรือเปล่าร่างกายท่านเป็นครับ <ขอ S 1> เป็นภาพนะคะเ ป, คเป็นพระหป่าครั บ, รบพระสงฆ์หรือคะใช่ครับเป็นสงหน้าตาเหมือนใครโอ้ พ๋อหน้าตาคล้ายกับสมเด็จพ่อครับอ่าสมเด็จพ่อคือใครคือหลวงพ่อเหรอคะครับอ่าอันนี้ถูกต้องนะพระเจ้าเปรตที่โกศลในสมัยนั้นนะคะฮะที่คุณลุงเห็นภาพครั้งแรกจิตของท่านสะอาดสดใสเท่าพระนิพพานใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าร่างกายของท่านเป็นพระสงนะคะครับคือใครของของคุณลงุงท่านพ่อของคุณลุงนะคะ อ่คือหลวงพ่อนั่นเองนะคะคแล้วเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้า อ, อยู่หัวราชการที่เก้าที่กุลุงเห็นนะท่านเป็นอะไรกับพระเจ้าเปรตที่โกศลที่เมืองพรลานสีท่านเป็นอะไรเป็นลูกอ่ะเป็นลูกอะ่ะฮะครับแล้วคุณลุงเป็นลูกของราชการที่เจ้าอีกทีหนึ่งครับแสดงว่าคุลุงก็เกิดเป็นหลานของพระเจ้าเปรตที่โกศลใช่ครับอ่าดีใจไหมล่ะดีใจครับเีไล่เรียงตามลําดับนะคะครับอื ปกครองพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าท่านก็ครองเมืองพารานสีต่อจากพระเจ้าเสษมที่โกศล อ, อพระเจ้าเสษมที่โกศลเนี่ยเคยเป็นสมัยที่ท่านเป็นเจ้าชายอยู่นะค ะ, ะเรียนหนังสือรุ่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารคือพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สวรรคตก่อนที่พระพุทธเจ้าจะกรุณิธานแล้วลูกก็คือพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนะคะ่ะ ครองราดต่อมาและคุณลุงเป็นลูกอีกทีนะคะครับและคุณลุงไม่มีโอกาสครองเมืองพาราณสีไหมคะตอนนี้คลองครับได้นะคะก็สืบต่อกันมาใช่ไหมคะเขาแสดงว่าคุณลุงก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเป็นเจ้าเมืองมาก่อนใช่ไหมคะนีสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะคะเอาละนี่เราถอยหลังชาติของเราเองเพื่อรู้ประวัติเห็นภาพชัดไหมคะ วันนี้ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรไม่ใช่ไม่ชัดเท่าที่ควร น, นะคะก็ไม่เป็นไรเพระใช้ได้ใช่ไหมคะครับเหมือนขนาดไหนพระอาจารย์วันเพลินได้ไหมแต่มันจักง ม, มัวหน่อยพระอาจารย์มา ม, มัวหน่อยนะคะคไม่เป็นไรตัดสินใจทีเข้าไปกราบสมเด็จพระสินสีขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยเมื่อเช้านี่คุณลุงเหนื่อยมากนะคะและนี้ตอนบ่ายเรามาอัดเทศอีกนั่นขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วย ให้ข่าพระพุทธเจ้ามีอารมณ์จิตผ่องใสเป็นกรณีพิเศษความปวดเมื่อยทางร่างกายไม่สนใจช่างมันข ย, ยับจะเลื่อนได้นะคะขอองค์สมเด็จพระจอมไตรขอท่านพ่อท่านแม่ช่วยคุณลุงมีอารมณ์ผ่องใสและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงให้สว่างสวยเท่าปกติดีแล้วครับดีขึ้นนะคะถ้าดีขึ้นนะคุณลุงดูภาพพระพุทธเจ้าสิคะ ทัดขึ้นจากเดิมไหมคะทับขึ้นนะทัดขึ้นนะตอนนี้ไม่ห่วงอะไรแล้วนะคะครับร่างกายจะเป็นยังไงช่างมันนะคะช่างมันช่างมันนะคะเอาละพังเปนลางไปเนี่คืออารมณ์นี้ถ้าคุณลุงตัดสินใจอย่างนี้ภาพแจ่มใสดีไหมคะดีครับดีนะคะครับเอาละไมมัวแล้วนาวีนะครับเอาถ้าไม่มัวแล้วเราไปเริ่มต้นพรมเช่นที่สิบเอ็ดต่อจากคัศเศที่แล้วนะคะครับขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ขอท่านพ่อท่านแม่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดได้โปรดพาคุลุงไปพรหมชั้นที่สิบเอ็ดไปวิมานของท่านที่เป็นหัวหน้าของพรหมชั้นนั้นพรหมชั้นที่สิบเอ็ดไม่มีชื่อว่าอสันยีสัตตาพรหมถึงหรือยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วนะคะพ บ, บวิมานท่านที่เป็นหัวหน้าพรหมชั้นที่สิบเอดหมคะคบครับวิมานท่านเป็นไงคะสวยเหมือนกันสวยนะคะรูปรป่างเป็นรูปร่างก็มีลักษณะ เป็นแบบภาษาเหมือนกันเป็นภาษาเหมือนกันทำด้วยอะไรคะทำด้วยแก้วคําบทำด้วยแก้วนะของไซด์ดีนะคะครับ <net> ท่านที่เป็นหัวหน้าวิมานท่านเป็นเจ้าของวิมานอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับเข้าไปกราบท่านนะคะเป็นไงท่านสวยไหมสวยครับทั้งยืนอยู่ที่ประตูรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างก็แต่งเป็นแบบเทวดานะคะแบบแบบเลยนะคะแบบพรมเหมือนกันค่อนข้างจะ เล็กหน่อยไหมคะคระร่างท่านนะคะ<ช>อเอาละกาบท่านนะคะสําหรับพรมชั้นที่สิบเอดเนี่ยท่านที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ต้องได้ฌานสี่อย่างละเอียดนะคะเวล า, าตายก็ตายอยู่ในระหว่างฌานนะคะก็มาอยู่ที่นี่ได้ขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่และท่านเจ้าของท่านที่เป็นเจ้าของวิมานนะคะช่วยเห็นภาพว่าตัวของคุณลุงบุญมีเองเคยมาเกิดที่พรมชั้นที่สิบเอ็ดนี่ไหม ถ้ามีมีกี่ชาติขอให้ภาพปรากฏชาติเดียวได้ไมครับหลายชาติไหมคะหลายชาติกับหลายชาติความรู้สึกว่าเป็นร้อยหรือเป็นพันหรือเป็นหมื่นเป็นเหมือนะเป็นเหมือนชาตินะคะกอ่าดูเห็นเห็นตัวของคุณลุงเองใช่ไหมคะเห็นแต่งตัวเหมือนกันหมดไหมเหมือนเหมือนกันหมดนะมีผู้หญิงไหมไม่มีไม่มีแสดงว่าพรมนี้ไม่มีเพศแต่งตัวเหมือนกันหมดนะคะเล้าหน้าเหมือนกันแล้วทำไมเราจะรู้ว่าใครเป็นใครล่ะครับ ก็ตัวของคุณลุงเองในสมัยก่อนมันอาทิย์สมานากายตัวเดิมอใช่ไหมคะใช่ทีนี้มันจะต่างกันก็ที่ความผ่องใสนะคะแต่ที่หน้าเหมือนกันความผ่องใสก็เหมือนกันเพราะว่าอยู่ชนพรมชั้นที่สิบเอ็ดใช่ไหมคะคจะมาอยู่ที่นี่ได้คุณลุงจะต้องตายในระหว่างชา้นสี่ละเอียดเท่านั้นจึงจะมาอยู่ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกันสว่างสวายเหมือนกันอาจารยนะคะครับอ่าขอดูภาพใกล้ใก้สักชาติหนึ่งดีคะ่ะมีภาพมาใกล้ใกอย่างค่ะ เนื้อเป็นไงดูเนื้อตรงใบหน้าสิใบหน้าผมเองเลยครับใบหน้าอธิสมานการของคุณลุงสมัยเป็นพรหมชั้นที่สิบเอ็ดนะสวยครับเนื้อทำเื่นเป็นไรเนื้อเป็นสีทองใสเป็นสีทองใสนะคะเสื้อผ้าที่ใส่สีอะไรคะขาวครับขาวเครื่องประดับหระอาสลาสีขาวๆไมีเครื่องประดับครับพื้นผ้าจริงๆสีอะไรขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพสิคะลาย มีลวดลายสีอะไรแน่ดูที่ที่ประกายออกมาอืมสีมันมีมีสองสีสามสีไหสีทองนีไหมมีครับพื้นผ้าเป็นสีทองนะสีทองอแล้วก็สีเขียวไอ้สีเขียวสีขาวนั่นคือเครื่องประดับใช่ไหมคะใช่ครับพื้นผ้าสีทองเสื้อก็สีทองนะคะครับประกายสีทองเนี่ยไปจับเนื้อ เนื้อเนี่ยเป็นแก้วใสอยู่แล้วนะคะแสงสีทองไปจับทําให้คุณลุงเห็นเป็นเนื้อสีทองใสใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วเนื้อของพรหมเนี่ยเป็นอะไรขาวขาวเป็นแก้วใสใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะตั้งสมีจากเสื้อผ้าซึ่งเป็นสีทองใช่ไหมคะเข้าใจอย่างค่ะก็ระด้ลักษณะของพรหมเนี่ยพอคุณลุงมองดูเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเป็นทองทั้งองค์ได้ใช่ไหมคะอ่านี่เป็นลักษณะของพรหมนะคะขอดูภาพถอยหลังสักชาติ ว่าคุณลุงทำความดีอะไรจึงได้มาเป็นพรหมชั้นที่สิบเอ็ดได้ดูภาพสิคะทำอะไรบ้างอ๋ออุดชิดเงินสนุกอมุลวงศาสนาปฏิบัติศินภาวนานี่นะครับแล้วก็ทานก็มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะคะภาวนานี่ต้องได้จริงชาิสี่ละเอียด เวลาตายต้องเข้าชานตายนะค ะ, คะก็มาอยู่ชั้นี้ได้นี่ต่อไปสําหรับลมชั้นที่สิบเอ็ดเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยอยู่นะคะท่านที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอยู่มากขอดูที่เพื่อนเพื่อ น, นของหลวงพ่อนะ่ยมีมากไหมคะขอให้ท่านได้โปรดสงเคราะห์ไม้เห็นโอ้เยอะครับเยอะนะค ะ, ค ะ, ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์เยอะเยอะนะค ะ, คะนี่เป็นเพื่อนเพื่อ น, นหลวงพ่อเยอะนะนึกกราบท่านสิคะกราบท่านทั้งหมดเลย ขอพรท่านช่วยเกิดความผ่องใสอย่าให้ร่างกายมันทรมานนะคะคท่านช่วยไหมคะช่วยครับช่วยนะคะคุณลุงสบายใจอย่างคะสบายกายสบายใจนะใจหายใจหายสั่นใจหายสั่นแล้วเมื่อกี้เดินมาเหนื่อยใช่ไหมคะไม่ทราบก็มาโดนหมากัดผู้หญิงใจหายสั่นนะเอาละกราบท่านนะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาคุณลุงมาที่พรมท่านที่สิบ ซึ่งมีชื่อว่าเวหัภพรลมหรือว่าเวหัภลาพลมไปวิมานท่านจะเป็นหัวหน้ากรมท่านที่สิบเลยถึงไหมอย่างคะถึงแล้วครับความผ่องใสเป็นยังไงของวิมานนะขององค์ท่านวิมานก็ไม่ค่อยแจ่มใส เหมือนเหมือนกับที่แหลกแหลครับอ่าจะลดลงมาหน่อยครับลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นแก้วอยู่ไหมคะเป็นแก้วครับเป็นแก้วอยู่นะคะองคท่านจะสวเอ๋อองค์นี้รู้สึกจะท่วมหน่อยกว่าองค์ที่แล้วไหมคะใช่ใช่ใช่นะคะครัท่วมขาวหน่อยนะคะอ่าเอาละไช้ได้กล่าบในมัสการท่านต่อไปก็ไปพรมชั้นที่เก้าซึ่งชื่อชื่อมีชื่อว่าสุภกินหาพรมไปวิมายของหัวหน้าพรมชั้นนั้นเลย ถึงแล้วครับพบท่านเจ้าของวิมานไหมคะพบครับท่านยึดยืนอยู่ที่หน้าประตูเลย่อากราบท่านเลยยิ้มไหมยิ้มกราบยิ้มเออถ้ายิ้มต้องเคยเป็นญาติกันท่านเป็นอะไรคุณลุงคะเป็นญาติครับเป็นญาติกันจะเรียกท่านว่าอะไรดีคะท่านอ่าท่านอานะคะอ่าท่านกยิ้มนั่นวิมานท่านจะสวยใช่ไหมคะสวยครับสําหรับชนชั้นที่เก้านี่จะต้องตายในระหว่างฌานที่สี่ จันทร์ที่สามอย่างละเอียดนะค ะ, ะขอดูภาพอีกทีคุณลุงเคยมาเกิดที่พรมชั้นที่เก้าที่สิบนี่สักกี่ชาติคะมากขับมามาเยอะไหมคะเยอะขับเยอะนะครับฟับงรู้สึกเป็นร้อยหรือเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นชาติเลยนะคะครับขอดูขอดูชัดๆสักชาติหนึ่าางสิคะว่าคุณลุงทําความดีอะไรถึงมาเกิดเป็นพรมชั้นที่เก้าที่สิบนี้ได้เรื่องทำบุญ น, นี่ก็ มีให้ทานนะฮะแล้วก็ปฏิบัติสินภาวนาทานสินภาวนาเนี่ยนะคะตามที่รเรด้เร้าสอนแต่เวลาตายต้องใจต้องนึกถึงความดีที่เราทำได้จนจิตอยู่ในระหว่างฌานนะคะขึ้มาเป็นพรหมได้ต่อไปเป็นพรหมชั้นที่แปดมีชื่อว่าอัปปามะสุภาพลมขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่ท่านไปด้วยกลาบลาท่านท่านัานวนหน้าพรหมนะค ะ, คะไปพรหมชั้นที่แปดค่ะ ถึงอะไรยังคะถึงแล้วครับพอาปริมาณท่านไหมพบครับองค์ท่านองค์นี้เป็นไงลักษณะลักษณะองค์นี้โลกร่างปันงป้นกลางปั้นกลางสัมผัสนะคะ<า>ก็เล็กกว่าองค์เม่กีหน่อยนะคะใช่ครับเข้าไปกราบท่า น, านองค์ท่านก็สวยไหมสวยครับมีแก่บ้างไหมในเท่าทีิพานมายังไม่เคยเห็นคนแก่เลยครับไม่เคยเห็นคนแก่เลยขอดูภาพคุณลุงเคยมาพรมชั้นนี้กี่ชาติแล้วเคยมาไหมเคยมาเกิดไหมเคยครับเยอะไหมครับ มีหลายชาติมากมีหลายชาติน ะ, ะทำความดีอะไรถ้าถึงมาเกิดจะ น, นี้ได้ขอดูถอยหลังไปเลยที่สำคัญน้าคัญโอ้เรื่องทานนี้เป็นใหญ่ที่สุด เ, เรื่องทานเป็นใหญ่นะคะท่านแล้วก็ปฏิบัติศีลภาวนา ถ้าเรื่องทานเป็นใหญ่ในบางโอกาสเนี่ยใจเรานึกถึงทานที่เราเคยให้นะคะเรานึกถึงเราก็สบายใจใช่ไหมคะคเมื่อนึกถึงทานที่ให้จนกระทั่งใจอยู่ในระดับของฌานแล้วก็มาเป็นพรหมได้ไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะค ะ, ค ะ, คะต่อไปพรมชั้นที่เจ็ดปริตตาสุภาพพรมนะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่ อ, ท, พอท่านแม่พาไปวิมานของท่านที่เป็นหัวหน้าของพรหมชั้นที่เจ็ดนะคะปริตตาสุภาพรม ถึงแล้วค่ะถอยหลังมาหน่อยใช่ไหมคะความผ่องใสของวิมานเป็นไงคะก็ไล่ไลกันก็ไล่ไลกันนะคะดูตรงมาหน่อยตอนนี้จะมีสีทองออกสักหน่อยไหมคะมีมีมีแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแก้วอยู่นะครับจะเป็นแก้วปนอยู่อ่าต้องใช่ต้องเป็นแก้วหมดละองค์ท่านเจ้าของวิมานนะคะอยู่ไหมคะอยู่ครับเป็นตัวสวยไหมสวยไอ้องค์นี้จะเป็นไงจะบางบางหน่อยนะใช่ครับนะคะโลบล่ามอัดแอเอ์ดูซิมีกำไรเท่าว่าป่า นีครับถ้าใส่กาไรเท้านี่จะมาจากผู้หญิงแต่มาถึงเป็นพรหมก็ไม่มีเพศใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วกราบท่านนะคะต่อไปขอดูภาพว่าคุณลุงเคยมาเกิดที่พรหมชั้นที่เจ็ดนี้บ้างไหมคะถ้ามีมีกี่ชาติมีครับมีครับเยอะไหมคะมีเยอะเหมือนกันอ่เราก็เคยมาอยู่เหมือนกันนะสมัยที่เราเป็นพรหมเราก็แต่งตัวสวยใช่ไหมคะมีวิมาณอยู่ไม่ตอนเป็นพรหมมีครับมีเอ้เป็นพรหมนี่เขามีบริวารหรือเปล่าคะขอดูภาพสิ มีครับมีนะเป็นโพ ร, ม, รมีบริวารด้วยนะคะคต่อไปโรรมชั้นที่ชั้นที่หกมีชื่อว่าอภัสราโพรมขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่นะคะกราบลาท่านหัวหน้าโพรมขอไปโพรมชั้นที่มีชื่อว่าอภัสราโพรมไปวิมานท่านที่เป็นหัวหน้าเลยถึงอย่างคะถึงแล้วครับเป็นไงความของสาของวิมานของเจ้าของวิมาน ก็ลดลงมาเรื่อลงมาหน่อยมีทองเพิ่มขึ้นแล้วนะคะครับสำหรับพรมชั้นนี้เวลาตายต้องอยู่ในชา้นที่ชั้นที่สองอย่างอย่างละเอียดนะคะมาอยูไม่มีได้คุณลุงเคยมาอยู่ไหมคะขอดูภาพเลยเคยครับเคยมาเกิดนะคะครับอโอผมนิยมทุกชั้นทุกชั้นเลยทุกชั้นเลยนะคะเคยเกิดเป็นพรมมาทุกชั้นเลยครับนี่ต่อไปพรมชั้นที่ห้าอัปมาอัปมาณาพรม ขอดูภาพสิคะท่านที่เป็นหัวหน้าเลยไปวิมานท่านที่เป็นหัวหน้าถึงแล้วครับถึงแล้วเรูร้จะออกสีทองมากขึ้นเนะี่ยออกสีทองมากขึ้นแต่เนื้อท่านก็ยังใสยอยู่นะคะใสครับใสยอยู่วิมานก็สวยนะคะคคุณลุงเคยมาอยู่จีลชาติมีหลายชาติมีหลายชาติท่านนะคะคสําหรับกลมชั้นนี้ต้องชานที่สองอย่าง การที่สองอย่างกลางนะคะมาอยู่ได้ตอนตายนะคะคต่อไปถอยไปปลุมชั้นที่สี่มีชื่อว่าปร um ิฏตาภาปลุมสําหรับปลุมชั้นนี้ก่อนตายต้องอยู่ในระหว่างชั้นที่สองอย่างหยาบนะคะค่ะถึงอยงงคะถึแล้วครับเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับวิมานถ้าเกิดเป็นไงนะเป็นสีทองครับเป็นสีทองทองใสหรือทองทุทองใสครับใสนะคะองค์ท<ง>่านก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับกราบท่านนะคะครับ องนี้รูปล่างท่านเป็นไงคะรูปร่างปันกลางปันกลางนะค ะ, ะสันทัศนะค ะ, ะ, ะต่อไปพรมชั้นที่สามถอยหลังมามหาพรมพรมชั้นที่หนึ่งสองสามเนี่ยก็มีเท่ามหาพรมคือพรมชั้นที่สามนะค ะ, ะไปวิมานท่านเลยสิ่งอย่างคะถึงแล้วครับถึงแล้วครบท่านเจ้าของวิมานไหมคะพอกครับแล้ววิมานองค์นี้เป็นไง วิมานอง์นี้สีทองมากขึ้นเรื่อยครับมากขึ้นเรื่อยนะคะแต่สีทองก็ใสใสดีนะคะคนี่ของอุมานของพรหมนะคะคุณลุงเคยมาเกิดที่พรหมชั้นนี้บ้างไหมมีครับเยอะไหมคะมีไล่ไล่กันเรื่อยเลยไล่ล่กันเรื่อยนะคะครับขอดูภาพสิคะคุณลุงทําความดีอะไรคะช้อยภาพปรากฏทำทานกับทำทานนะทานนีิมาอันดับหนึ่งเลยนะคะครับ คนที่จะทําให้ทานได้ก็ต้องมีศีลใช่ไหมคะใช่ครับศีลก็ต้องมีใจเมตตานะคะถูกแล้วครับอืคนที่มีใจเมตตาโหดร้ายไม่ได้้จิตถึงก็ต้องเข้าฌาน ง, ง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมคะคเวลาตายก็อยู่ในระหว่งางฌานได้ค่ะต่อไปเป็นพรมชั้นที่สองถ อ, ถอยหลังลงมานะคะอ่าพรมชั้นที่สองมีชื่อว่าป oh um ุโรหิตาพรมไปวิมานท่านที่เป็นหัวหน้าของพรมชั้นนั้นเลยถึงอย่างไรคะถึงครับถึงแล้วเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับ ใหญ่ไหมก็ไล่ไล่กันเรื่อยมาเลยมาองค์ท่านองค์ท่านก็เห็นนะเห็นท่านแล้วนะคะกล่าบท่านนะแล้วรูปร่างท่านเป็นไงเปรียบเทียบครับรูปร่างเล็กกว่าเมื่อกี้นี้ครับจะจะสูงหน่อยไหมรูปร่างกลมกลมกลมกลมนะแต่ก็เล็กกว่าองค์กองเมื่อกี้นี้นะคะครับก็สวยหน่อยนะคะครับสวยกลาบท่านนะคะต่อไปพรมชั้นที่หนึ่งมีชื่อว่าปาริสตชาพรม ขอพระเรมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พามาดูสุมชั้นที่หนึ่งถึงอย่างคะ่ะถึงแล้วครับเห็นวิมานเห็นองค์ท่านไหมคะเห็นครับความโปร่งใสของปลอมโดยทัท่วไปเราดูมาสิบหกชั้นนะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นแก้วนะคะไล่ขึ้นไปไล่ละเอียดขึ้นไปแต่สิบสองถึงสิบหกที่เราผ่านมาเนี่ยนะโปร่งใสเป็นกรณีพิเศษล่ะนะคะครับเราก็ดูมาทั้งหมดสิบหกชั้นแล้วเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าหรือเบล่ะ แสนครับพระุทธองค์ยังลอยประทับลอยเป็นประธานใช่ไหมคะใช่ครับท่านพ่อท่านแม่ก็อยู่ด้วยอยู่ครับอยู่ด้วยนะคะคคขอดูภาพรวมๆทั้งหมดอีกทีพวกาข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นพรหมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สิบเอ็ดรวมแล้วกี่ชาติขอให้ภาพปรากฏชัดๆพระพุทธเจ้าพาโอโ้โหเป็นแสนเลยครับเป็นแสนนะคะคแต่งตัวเปเหมือนกันไหมคะเหมือนกับดูใกล้ๆให้ชัดๆ หน้านมนมครับรูปร่างสวยรูร่างสวยนะคะคนั่นเป็นอธิสมานกายของคุณลุงสมัยที่เป็นพรหมนะคะครเราเคยเกิดเป็นพรหมมานับชาติไม่ถ้วนเป็นแสนแสนใช่ไหมคะครับแต่บัดนี้คุณลุงก็มาเกิดเป็นคนใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าความสุขที่สมัยที่เป็นพรหมนี่มันยั่งยืนตลอดไปไหม ไม่ครับไม่ยั่งยืนนะคะเพราะเวลานี้กลับมาเกิดเป็นคนใหม่แล้วนี่เราอาศัยทิฏฐจคุยานอาศัยบา ร, รมีพระพุทธเจ้าอาศัยบา ร, รมีท่านผู้มีพระคุณทําให้เราทราบเรื่องราวหุนหลังว่าเราเคยเกิดเป็นพรหมมาแล้วใช่ไหมคะคด้วยความดีอันดับแรกของคุรุลุงก็คือการให้ทานใช่ไหมคะใช่ครับรวมทั้งศีลทั้งภาวนาคุรุลุงก็ทํานะคะครั บ, รบอันนี้ก็เป็นความดีที่ทําให้ไปเกิดเป็นพรหมได้นะคะอันนี้ต่อไปมีพรหมอีกประเภทหนึ่งชื่อว่าอารมณ์ประภูม ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่นะคะขอท่านพาไปยังแดนของอารูปประพมอารูปประพมนี่มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันนะคะอยู่ในระหว่างพรมชั้นที่แปดกับชั้นที่เก้านะคะช่วงนั้นขอท่านพาไปดูอารูปประพรมชั้นที่มีชื่อว่าเนวสัญญาณสัญญาญาตนะพรมเอาชั้นที่สี่เลยนะคะค่ะ ชื่อไม่ต้องจำหรอกค่ะไปชั้นที่สูงสุดของอาลูประพรมาแล้วกันได้เห็นชัดๆถึงเนี้ยค่ะถึงแล้วครับสภาพเป็นไงคะที่เห็นโอ้โหสวยกว่าที่เห็นเห็นมาแล้วเป็นเป็นไงเป็นดวงอเป็นเป็นดวงประกายแก้วเลยครับเป็นดวงประกายแก้วกว้างนะมกว้างครับมื้อว้างเลยนะคะเป็นดวงดวงดวงดวงอันนี้เราไปดูชั้นที่สูงที่สุดนะคือนะคะเออเป็นกลาประกายเป็นดวงดวงนะ ขนาดจิตของอารูปประพรมแต่ละองค์มีลักษณะเป็นดวงไม่เหมือนตัวที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะใช่ใชแต่ว่ามันก็มีประกายวุบวบวุบวับละนะคะท่านที่จะมาอยู่เป็นอารูปประพรมได้นี่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ต้องเจริญอารูปฌานนะคะเวลาตายก็อยู่ใจก็เข้าฌานอยู่ในระหว่างอารูปฌานน่ะนะคะแล้วจะมาอยู่มาเป็นอารูปประพรมวิมานก็ไม่มีอยู่ ท่านนี้นี่มีอรูปประภมที่สําคัญสองท่านด้วยกันคือท่านอารานดามบดเก่าทักดาบด ท, ที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าคุณลุงจําได้นะคะจําได้นะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยให้จิตของท่านอารานดามบดเก่าทักษดาบดลอยมาใกล้ๆมีลอยไม้อย่างคะ่ะมาครับสว่างสวัยกับเพื่อนไหมครั บ, รบดูรอบๆสิผิดเก้อรูปประภมอื่นๆยังไง มันใ ส, ใสขาวใสมีสีรอบรอบบ้างหมลัตเตอร์มีมีครับลัตเมีมีสีรอบรอบตั้งหลายสีเลยครับหลายสีะมีสีสีเอารอบรอบด้วยนะคะนีะ่เป็นคุณความดีพิเศษนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเอาแล้วก็กราบลาท่านผู้ที่พามานะคะมี ท, ะที่เป็นหัวหน้าของชมชั้นต่างๆใช่ไหมคะท่านสามปฏิจจสมก็มาด้วยนะคะ กาศสมเด็จพระสมมาตพิเตอรเจ้าอันนี้รู้จักแล้วนะค ะ, อะขอบารมีสมเด็จพระพุทแกจ้าขอบารมีทั้นพ่อท่านแม่ก็พามาอย่างสวรรค์ชี้มาเรื่องของสวรรค์อละลมก็หมดเท่านั้นนะค ะ, ะสวรรค์ทั้งหมดมันมีอยู่หกชันแต่เขาเรียกกันเป็นชั้นค่ะลงมาชั้นที่หกชั้นที่หกซึ่งมีชื่อว่าสำหรัาชั้นที่หก ปรารมีนิตรวัสวัสดีไปวิมานท่านที่เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นนั้นหนึ่งถึงหรือยังคะเถึงแล้วครับเห็นวิมานท่านไหมเห็นครับวิมานท่านลักษณะเป็นไงคะเป็นสีทองะสีทองะองคะคะทําใจให้สบายสบายขอปรารมีพระพุทธเจ้าช่วยเภาพวิมานของท่านที่เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นนี้คือท่านเท้ามาลายที่เท้ามาลัยนะค ะ, ะวิมานท่านลักษณะเป็นไงแม่ เป็นเป็นรูปปัสส์เหมือนกันเป็นรูปปัสาต์เหมือนกันเป็นแก้วหรือเป็นทองเป็นทองเป็นทองทองแพร่หรือว่าองใสทองใ ส, งใสเลยครับใสเพราะดูอีกทีที่ท่านเท้ามาลไยเขาได้โกรธแสดงวิมานพระองค์จริงๆเป็นอะไรแน่โอ้ทีนี้เปลี่ยนสีครับเป็นสีอะไรคะ เป็นสีขาวครับถูกต้องแล้วเป็นสีขาวใสไหมใสครับใหญ่นะคะใหญ่ครับอ่าที่เห็นเป็นสีทองนั้นไม่ใช่วิมานท่านเสลี่ยนได้จิตเราเคลื่อนนิดนึงนะคะอ่ะอะาก็เป็นอันว่าวิมานท่านเป็นแก้วละนะคะสีะขาวใหญ่ไหมใหญ่ครับนั่นถ้าใหญ่โตนั่นท่านเคยปรารถนาพุทธภูมินะคะคุณลุงรู้จักท่านเท้ามาลัยใช่ไหมคะครับ อ, องค์นี้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงประชนม์ชีพอยู่ท่านคือพญา ม, มาราธิราชพยา ม, มารา์ล่ะ ่เห็นองค์ท่านแล้วใช่ไหมคะกร า, าบท่านหน้าท่านสวยไหมสวยครับแล้วก็ปั้นเป็นยักษ์คนจริงเป็นยกักษ์หรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นนะเอาละ่ะกราบลาท่านนะคะเดี๋ยวมันหมดหน้าเทศพอดีคุณลุงทำใจให้สบายๆสยรงกําลังใจที่วิมานท่ามาอะไรสักครู่ก่อนนะคะก็เสร็จหน้าเทป